มีธุระเข้ามาในที่ประชุมสงฆ์จึงแสดงข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุผู้อยู่ป่า17บเจ็ดข้อดังต่อไปนี้ข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุผู้อยู่ป่า17ข้อ 1. ภิกษุผู้อยู่ป่ า, ปาไปในสงฆ์พึงเคารพในเพื่อนปรมจารี 2. พึงฉลาดในอาสนะไม่นั่งเบียดภิกษุผู้แก่กว่า